ออกพรรษามาไม่มีเวลาประชุมเทศอบรมพระบ้างเลยเพราะมีแต่การแต่งงานยุ่งนั้นยุ่งนี้อยู่ตลอดมีหัวหน้ายุ่งคนเดียวเท่านั้นก็ทำให้ขาดผลขาดประโยชน์สำหรับผู้มาศึกษาตั้งมากมาย นี่เราเทียบได้กับเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาเอกเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกทั้งสามจะกว้างขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนกับที่พระองค์ทรงทำประโยชน์ให้แก่โลก เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากสินบีบบังคับภายในจิตใจด้วยเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนได้แก่ธรรมที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังและการปฏิบัติตามมีจำนวนมากน้อยเพียงไรในสามแดนโลกาธาดนี้ที่รอรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงเป็นเหมือนกันกันกบพระราชาทรงโปรโดหรือให้อภัยแก่นักโทษคือผู้ต้องขังทั้งหลายออกเป็นพักๆดังที่เราเห็นอยู่แล้วนี้เช่นเมื่อต้นเดือนนี้ก็ประธานอภัยโทษให้แก่ ผู้ถูกคุมขังซึ่งควรจะได้รับอภัยก็ได้ออกไปตั้งมากมายการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และสั่งสอนทมแก่โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นแต่ป้างขวางมากมายยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เป็นเพียงข้อเทียบเคียงเ <c oughs> ท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลย สำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกหลายขั้นหลายภูมิหลายอุปนิสัยที่ควรจะรับประโยชน์มากน้อยจากศาสนาธรรมที่ทรงประกาศสอนนั้นมีมีมากมากกว่ามากไม่อาจสามารถจะพรรณนาได้จเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ นับแต่วันตรัสรูแล้วจนกระทั่งวันปารณิพานทำประโยชน์แก่โลก45เพราะพรรษาและจากนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้าศาสนธรรมที่เคยให้ประโยชน์แก่โลกก็ย่อมให้เลื่อยมาโดยที่มีผู้นำธรรมนั้นออกไปสั่งสอนโลกนี่จะคิดดูจะจำนวนมากขนาดไหน โลกที่รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแกตัวจึงได้ทรงเสียสลับไปบวชแบบที่โลกโลกเขาไม่เห็นดีด้วยนันจึงพูดด้วยความหลับตาพูดด้วยความมืดบอดที่สุดมันเป็นการประกาศขายความโง่ความเลวทรามของตนให้โลกที่มีสมบัติผู้ดีและศีลธรรมได้สลดสังเวช ด้วยบุคคลประเภทนั้นจํานวนไม่น้อยเลยคนดังพระพุทธเจ้านี้เหลือเป็นคนเห็นแก่โลกโอบเป็นคนเห็นแก่ตัวกับคนประเภทที่ยกโทษกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็น ผ, ผู้เห็นแก่ตัวนั้นใครจะเป็นผู้เลวทรามากกว่ากันนีดพิจารณาดูสิ เพราะคนคนคนนั้นเขาไม่เคยได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําทประโยชน์แก่ตนได้นอกจากอยู่ไปจมไปทุกไปเดือดร้อนไปหาทางออกไม่ได้หมุนไปเย็นมาเหมือนกันกันกบสัตว์ที่ถูกตาข่ายครอบนําพัวพันมัดไว้หมดทั้งตัวหาทางออกไม่ได้เท่านั้นคนประเภท น, นั้นจะทําประโยชน์อย่างไร ให้โลกได้ได้ได้อย่างไรเล่าส่วนพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นการเสด็จออกก็ทรงมีเหตุผลที่ควรจะเสด็จออกแบบใดแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็ต้องเสด็จออกแบบนั้นที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญและการที่จะได้ทําประโยชน์แก่โลกไม่ใช่เสด็จออกไปแบบหูหนาตาเถื่อนดังที่ผู้ พูดผู้ยกโทษเขาประกาศกันในเรื่องความเร็วสามทั้งตัวให้โลกเห็นนั่นแล้วเวลาทรงบำเพ็ญมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าล่ะจะเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้มีใครเหมือนบ้างแม้แม้แต่พระสาวกซึ่ง ได้สาเร็จมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าตามสเสด็จพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ปรากฏว่าองค์ใดที่ทรงอธิบําเพนในความตะเกียกตะการได้รับความทุกข์ความลําบากถึงขนาดตีสลบถึงสครั้งอย่างนั้นมีองค์ใดบ้างในประวัติของสาวกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจแท้แท้มีองค์ใดบ้างยังไม่เห็นมีเลยน่น ก็เพราะความแยบคายความเหมาะสมของพระพุทธเจ้าที่จะทรงดําเนินโดยวิถีใดนั้นต่าง ก, กันกับพระสาวกและสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยจะให้พระพุทธเจ้าทรงทำพระองค์แบบโลกทั้งหลายหรือเอาโลกมาเป็นแบบฉบับข อ, ของพระองค์นั้นจะเอามาเป็นแบบฉบับได้อย่างไรอันหนึ่งผู้หนึ่งบําเพ็ญเพื่อจะลื้อถอนขนสัตว์ออกจาก ไตรภพคือทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ผู้หนึ่งไม่ได้มีความคิดถึงขนาดนั้นถ้าเป็นความดีความละเอียดก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแล้วลดลงไปเป็นลําดับลําดาจนถึงขั้นผู้ที่ว่ามีแต่ความรู้หูมีตามีจมูกเลี้ยงกายมีก้าวเท่ากับไม่มีพิษักแต่ว่ารู้รู้อยู่ด้วยความจงเพราะ สิ่งปิดบังทั้งหลายเท่านั้นนี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าการบำเพ็ญของพระองค์นั้นทั้งบำเพ็ญเฉพาะพระองค์และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกสงสารนั้นต่างกับโลกอย่างไรบ้างพ อ, อที่เราจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างตามเสด็จพระพุเทธเจ้าเต็มสติกําลังความสามารถของตนแม้จะไม่ได้แบบครูทุกข์กระเบียดก็ตาม แต่ก็ยังได้ในแบบที่ว่าลูกศิษย์มีครูนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องโลกกระาตบันไหวในครั้งปุตรการที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดไปยังไงกระเทือนหมดไหมกรุงกบินละพัด จนได้เป็นพระประวัติเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีใครทำได้อย่างนั้นแล้ว เ, เวลาจัดสรู้แล้วก็สั่งสอนลวกเลื่อยมาพระพาลละของพระองค์ที่ปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งวันปรินิพานที่แสดงไว้ก็มีอยู่หประการตอนบ่าย ประธานพระว่แจ่ประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ตรงไปของวันหนึ่งหนึ่งตอนค่ำประธานประวาดแจ่บรรดาพระสงฆ์ทั้งที่เป็นพระสาวกทั้งที่กำลังมาเริ่มศึกษารเรียนศึกษาอบรมเป็นลำดับลำดาเป็นประจำตอนกลางคืน บึกสงัดตัด้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วก็ประทานพระโอวาทและแก้ปัญหาของถวยเทพทั้งหลายซึ่งมนุษย์เราไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเทวดาชั้นนั้นๆหรือภพกำเนิดของเทวดาภูมินั้นๆเป็นอย่างไรบ้างมีรูปร่างสันฐานอย่างไรเรายังไม่เคยเห็นแต่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นศาสดาภ ประกาศทมสอนโลกในเวลาดึกสงัดอย่างนั้นเป็นประจำทุกคืนนั่นเราฟังดูสิหนักไหมพระภาระของบรีเจ้าและละเอียดไหมโลกไม่มองเห็นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนได้และวนสว่างอีกก็ทรงเรงยานดูสัตวโลก ด้วยพระเมตตาสงสารไม่ปล่อยวางอีกเช่นเดียวกันว่าสัตว์โลกผู้ใดที่ควรจะได้รับกระแสแห่งธรรมแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอุปสรรคมาเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้บรรลุธรรมก็ทรงสเสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนนี่ ตอนเช้าก็เสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาไม่ได้มุ่งแต่เพียงก้อนข้าวเท่านั้นอันนี้เพียงธาตุขันธ์ของไข่ไขก็เยียวยากันด้วยสิ่งเหล่านี้นอยู่แล้วซึ่งก็ไม่เห็นเป็นของประเสริฐเลิศเลออะไรพอที่จะต้องไปบินทบาทถึงด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกหนาทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหน้ามุ่งตาต่อก้อนข้าวเพียงเท่านั้นพระองค์ไม่ทรง ล้ำพึงหรือทรงคิดเช่นนั้นแต่ทรงล้ำพึงถึงสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยทวารใดต่างหากเห็นตา เ, เขาเห็นเขาก็เป็นสี่มงคลแก่เขาเป็นทัศนานุตริยาการเห็นอย่างประเสด็จก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นแล้วการได้ยินได้ฟังก็เหมือนกัน สุตานุตริยะเนี่ก็เหมือนเหมือนกันเขาได้ยินได้ฟังก็เป็นสิริมงคลมหามงคลแก่เขาไม่น้อยความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เขาคิดเขาปรุงขึ้นมาในเวลานั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิริมงคลและมหามงคลแก่เขาเองเพราะการเสด็จไปโปรดสัต์ ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองจึิงเรียกว่าบินทบาตรโปรดสัตว์ม่ได้กลายเป็นเรื่องที่อย่างที่เรารู้ๆเห็นๆกันอยู่นี้ที่น่าจะพูดได้ว่าสัตว์โปรดเราสัตว์โปรดพระไม่ใช่พระโปรดโ ย, โยมโยมโปรดพระไปซะอีกอย่างนี้มันก็น่าว่าได้ก็ดูเอาไม่ต้องอธิบายให้มากนะก็เข้าใจกันแล้วเพราะผิดจากแนวทางของศาสดาและพระสงฆ์สาวกหรือสมณะ เพศอันเป็นเพศที่สงบเงี่ยมมากออกบินทบาทมันต่างกันออกไปด้วยกิจวัตรออกไปด้วยหน้าที่การงานของพระออกไปเพื่ออัดเพื่อทําทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็ได้แก่พอยังชีวิตให้เป็นไปเพราะก้อนข้าวภายในก็พรเพื่อผลประโยชน์ภายในใจิตใจของตนนีแล้วภายนอกออกไปอีกก็ เพื่อประชาชน ญ, ญาติโยมที่เขาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่เขาทั้งได้ให้ทานสิ่งใดแก่ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธหรือท่านผู้เป็นอันธรรมย่อมีอานิสง์มากมายจากวัตถุทานของเขาซึ่งต่างกันอยู่มากกับการให้ทั่วทวไปนี่ท่านจงเรียกว่าบินทบาทปวดสัตว์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเรา ทรงรับภาระห้าประการนี้หนักมากบางภาระบางประการไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทำแทนไม่ได้แม้จะทำแทนก็ทำแทนไม่ได้เช่นเร่งยานดูสั ต, ตวโลกนี่เป็นพุทธวิสัยล้วนๆที่พระองค์จะทรงเร่งทรงทำหน้าที่แล้ว ปฏิบัติตามที่ทรงพิจิิณาเห็นแล้วอย่างใดนั้นเช่นเสด็จไปโปรดสัตว์ผู้ที่เห็นว่าจะจนกรอกจนมุมด้วยชีวิตของตนในเวลาอันรวดเร็วอย่างนี้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดก่อนนี่นี่ใครจะทำแทนได้ละ่ะการเทศนามาการแก่เทวดาทั้งหลายตามภูมิของศาสดรานั้นใครจะมีภูมิ อันใดไปเทียบเคียงกับภูมิศาสดาพอที่จะสอนสัตว์สอนเทวดาทั้งหลายให้ได้รับผลรับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเล่าเนี่ยแม้พระสาวกซึ่งมีคุณสมบัติในทางนี้ก็ฟังแต่ว่าสาวกวิสัยคือวิสัยของพระสาวกไม่ใช่พุทธวิสัยพอที่จะทําประโยชน์ให้แก่โลกโดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้านี่ แล้วไม่ว่า ก, การใดในพุทธกิจหประการนี้ไม่มีใครที่จะทำให้สมบูรณ์พูนผลได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยแล้วหนักมากปเพียงในพีน่นาดูสิและทรงประกาศธรรมสอนโลกและทรงรับภาระนี้ตั้งแต่วันตรัสรูดด้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันปรินิพานล้วนแล้วแต่ทำประโยชน์โปรดจัดทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกมาตั้งแต่ ขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นหยาบของผู้ที่ควรจะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามีมากน้อยเพียงไรเราพิจารณาสินี่ลหละ<ม>พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย<ม>เป็นเรื่องฟ้าดินถลม่มสามแดนโลกธาตุวันไว้ไปหมดมเพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ที่มาโปรดปราณสัตว์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นไปโดยลาดับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้เรื่อยมา จนกระทั่งวันพระนิพพานนอกเหนือจากนั้นแล้วยังประทานพระโอวาทไว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นนประกาศดังที่เราทั้งหลายทราบว่าห0าพันปีโลกกับธรรมที่จะพอเกี่ยวเนื่องกันไปได้พอได้โลกจะได้รับประโยชน์จากธรรมเพราะโลกมีธรรมในใจเป็นเครื่องรับธรรมจากศาสนาธรรมของพระเจ้า จะมีอยู่ถึงห้าพันปีธรรมนี้ก็ประกาศสอนไว้เหมือนกับบันไดข้าดาไว้ทางนี้เปิดโล่งไว้เพื่อสุคติคือไปดีอยู่ดีจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินทรมเพราะการบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระเจ้าก็ให้ได้เห็นให้ได้พบให้ได้รู้ให้ได้รับนเลื่อยไปจนกระทั่งสิทธ สุดความสามารถอาดเอื้อมของสัตว์แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นเข้าทุกวันทุกวันบีบบังคับจนกระทั่งอัดอั้นตันใจหาที่ไอที่จามหาที่ผ่อนคลายไม่ได้เลยแล้วก็ทำก็สูตรวิสัยเช่นเดียวกับโรคที่ถึงขั้น icu แล้วโรคก็หมอ ก, ก็ดียาก็ดีเป็นอันว่าสุดวิสัยมีทางเดียวที่ icu ผู้เป็นโรค icu นั่นจะทาหน้าที่ให้ถึงที่สุดจุด สุดท้ายก้องตนได้แก่ความตายนี่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันธรรมะจะมีมากมายขนาดไหนเคยโปรดปรานสัตว์โลกให้รับผลประโยชน์ตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นจนกระทั่งถึงความดูดพ้นหรือเลิศเลอก็จะเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยน้อยและจนกระทั่งถึงหมดประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะไม่มีใครสามารถรับจิตใจรับไม่ได้ในหัวใจมีตั้งแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลง มีแต่ราคะตัณหาใจทั้งดวงเป็นครังของกิเลสเสียทั้งมวลเต็มไปหมดทมแทรกเข้าไม่ได้นั่นแหละที่ว่าทาไม่เป็นประโยชน์เพราะกิเลสมันมีอำนาจมากปิดกั้นไว้หมดไม่มีช่องทางไหลเข้าแห่งธรรมสูจิตใจบ้างเลยใจจึงเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าเป็นการไหนเวลาใดถึงจะหลุดพ้นขึ้นมาได้ เบาบางขึ้นมาได้นี่นี่หลที่ว่าศาสนาหมดคือหมดจากกิจใจไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าหมดคำพีก็ยัง ม, มีทุกสิ่งทุกอย่างมีในคำพีมีในตำหลับตำลามรคผลนิพพานก็มีบุญก็มีบาปก็มีอยู่ดั้งเดิมนั่นแหละแต่ผู้ที่จะรับหรือผู้ที่จะเลือกเฟ้นคัดออกซึ่งบาปบำเพ็ญเข้าสู่หัวใจซึ่งบุญทั้งหลาย ตลอดถึงมรรคผลนิพพานเหมือนดังที่เคยเป็นมาแล้วไม่มีวิีทางที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นมีแต่ความปิดบังของความโลภความโกรธความหลงกระดิกพลิกแพงในเงื่อนใดถูกปิดถูกบังหรือถูกฟืนถูกไฟนี้เผาตลอดเวลาจะเอาอัดเอาจิตเอาส่งไปหาอัธหธรรมที่ไหนได้เพราะคำว่าธรรมก็ไม่มีซะแล้วไม่มีใครมาประกาศเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเหมือนกันกับ โยนสัตว์ลงในหม้อน้ําร้อนเช่นโยนกบโยนเขียดลงในหม้อน้ําร้อนจะมีกี่ตัวโยนลงไปต่างตัวต่างกระเสือกสนกวนกวาจนถึงขั้นตายแล้วใครจะมาคิดถึงความสุขความสบายถึงยาถึงเครื่องบําบัดรักษาได้ในเวลานั้นเล่านี่ก็เหมือนกันเมื่อสัตว์โลกได้ถูกยิ่เลตัญหาอาสวะประเภทที่รุนแรง ซึ่งสั่งสมอยู่ภายในตัวของมันเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นเต็มที่แล้วจิตใจจะมีความอัดเอื้อมหรือเล็ดลอดออกไปสู่อัจสูธรรมพอเป็นเครื่องเยียวยาหรือต้านทานคิดเด็ดอันเป็นฝืนไฟนี้ได้อย่างไรเล่านั่นแหละที่ว่าศาสนาหมดหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดจากคำภีบาลานไม่มรรคผลมรรคผลนิพพ า, านไม่ใช่หมดมรรคผลนิพพานมีแต่ไม่มีคนทรงไม่มีคนเดิมดาเนินไม่มี คนปฏิบัติได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครได้รับได้เสวยเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ได้บําเพ็ญและปฏิบัติได้จึงได้มีทางได้รับผลได้เช่นบนรรลุมรรคผลนิพานนั้นๆดังนี้เป็นต้นนะคำว่ามรรคผลนิพานนั้นๆหมายถึงขั้นถึงภูมิหลายขั้นหลายภูมิจนกระทั่งถึงนิพานถึงเรียกว่านันะ้นๆะอย่างนี้ไม่มี <c oughs> นี่นี่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติ ให้พึงคำหนึงพึงคิดว่าเรามีอํานาจวาสนามากน้อยเพียงไรถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสเลยนับเป็นจํานวนกี่ล้านล้านที่เขาพลาดโอกาสแต่เราเล็ดลอดมาเกิดเป็นมนุษย์มีหนําซ้ํายังได้พบพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังถึง ข, ขนาดที่ได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาตามแนวทางแห่งองศาสดาที่สอนไว้ด้วย สวัาดิธรรมคือตรัสใู้ชอบแล้วทั้งนั้นใครมีโอกาสก็พวกเราเป็นผู้มีโอกาสเฉพาะอย่างยิ่งเราเองเป็นผู้มีโอกาสอย่ามานอนหลับทับจิตตนอยู่เฉยๆให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายซึ่งเคยเป็นภัยมาแล้วตั้งแต่การไหนไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้สิ่งที่เป็นภัยย่ ทรงแสดงบอกว่าเป็นภัยมาโดยลำดับจำดาไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดกล่าวคัดค้านต้านทานซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่เป็นภัยเห็นว่าเป็นคุณกับตรัพย์กันอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งที่เป็นภัยย่อมเป็นภัยมาดั้งเดิมสิ่งที่เป็นคุณย่อมเป็นคุณมาดั้งเดิมผู้บำเพ็ญเพื่อความละโทละโทษปฏิบัติเพื่อคุณแล้วย่อมปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เป็นอื่นอืม ย่อมจะละได้โดยลําดับแล้วสิ่งที่เป็นคุณก็ย่อมจะได้มาเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้เพราะอํานาจแห่งธรรมที่เป็นธรรมโอษฐ์นี่ท่านเรียวกว่ารื้อถอนขนสัตว์ออกจากโลกนี่เราก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วแล้วการมาประพฤติปฏิบัติตนมาอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ย่ามาอยู่เฉยๆหูมีมาเพื่อดู เพื่อฟังตามีเพื่อดูหูมีเพื่อฟังใจมีเพื่อคิดคิดในแง่เป็นอัดเป็นธรรมคิดในแง่ที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แง่ใดที่เป็นโทษเป็นภัยแง่นั้นเป็นทางที่ผิดออกมาจากเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆให้พยายามละเว้นในสิ่งนั้นถึงจะละเว้นยากขนาดไหนกิเลสมันเคยทําใครให้ง่ายให้พากันคิดเอา เรื่องของกิเลสแล้วไม่พาทาคนให้ง่ายให้สะดวกสบายเลยความโลภเกิดขึ้นดิน้นล้มดิ้นตายก็เสือกกสนยิ่งกว่าคนเจ็บคนไข้คนป่วยเป็นไหนๆเราเคยเห็นไหมถ้าไม่เห็นดูใจของเราเวลามันโลภมันโลภอะไรนั่นหละความโลภนมันพาให้ดิ้นรนกรวนกระวายกัดแกงไม่สนใจที่จะหายามอะไรมารักษานอกจากว่าจะให้ได้สมหวังที่ ยำปิดฉัง น, นราปฏิตามปิดตุกขังครับเมื่อไม่สมหวังแล้วกองทุกข์มันจะไปรวมที่ไหนก็ไปรวมอยู่ที่ผู้หิวผู้หยผู้อยากผู้ดิ้นจนกระวนกระวายเพื่อความอยากได้มาให้อย่างสมใจนั่นเองนี่เป็นยังไงพาใครง่ายไหมความโกรธมันเกิดขึ้นมันง่ายไหมพาคนได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจของความโกรธไหมทั้งผู้โกรธทั้งผู้รับความโกรธทั้งสองฝ่ายนี้เป็นผู้ง่ายไหม ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ลำบากเป็นผู้ทรมานผู้ตุผู้โกรธเนี่ยเป็นผู้ทรมานอันดับแรกเพราะต้นตอแห่งฟืนแห่งไฟมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วลุกลามไปสู่ภายนอกเผาลนกันไปหมดก็เลยเป็นไฟลามทุ่งร้อนไปรําตามกันเพราะเรื่องของความโกรธเป็นยังไงความโกรธทําคนให้ง่ายไหมเราพิี่ณาสิถ้าว่าความโกรธทําคนง่ายง่ความโลภทําคนง่ายง่ายแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหลวไหลโลเลหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเป็นเครื่องพร่ำสอนโลกให้มีความง่ายดําตามกันหมดทั้งสามแดนโลกธาตนุนี้ด้วยอํานาจของกิเลสนี้เท่านั้นทำจะไม่มีอํานาจเลยแต่นี่เป็นอย่างไรบ้างเรามาพิจารณาสิราคาตัญหาเวลามันเกิดขึ้นมันทําคนให้ง่ายไหมมันดิ้นโดนกวนกวายทั้งหญิงทั้งชายตัวผู้ตัวเมียกัดแกงไปหมดจนกระทั่งไม่มีศีลมีธรรมไม่ไม่มี คำว่าฮิริโอตปะหาอย่างอายไม่ได้หน้าด้านยิ่งกว่าหน้าผาของภูเขาสิเพราะอะไรเพราะอันนี้แลเป็นเครื่องฉาบทาให้ด้านคนคนเรามีราคาตัญหามากๆเวลามันแสดงขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นมันทำคนให้ง่ายไหมนั่นทำคนให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดินล้มดินตายฆ่ากันก็เพราะอำนาจแห่งราคาตันหา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อฟืนก่อไฟเผากันก็เพราะอำนาจแห่งราคาตันหาเป็นตัวเหตุเป็นตัวฟืนตัวไฟเป็นตัวเสนียดจันไหลเป็นเชื้ออันสำคัญมันง่ายไหมเราพิจารณาสิการที่จะแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงราคาตันหาซึ่งถือว่าเป็นของยากของยากของยากด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกไม่อยากให้แก้มันนั่นน่ะเราทำไมเราเร า, เราทำไมเราจะเห็นว่าเป็นของยากไปตามมันธรรมะมีอยู่ การแก้การแก้กิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายก็คือกิเลสนั่นเองมันมัดมันดิดมันดิ้นมันไม่ยอมให้แก้มันผูกมัดเราซะก่อนเราจึงยากที่จะแก้มันไม่ใช่ทำท่านผูกท่านมัดเราให้แก้กิเลสยากนะอืเดินจงกรมก้าวขาไม่ออกก็เพราะกิเลสมันตีแข้งตีขานั่งสมาธิภาวนาง่วงเงาห่อนอนหลับครอกคทั้งที่นั่งอยู่ก็เพราะกิเลสมันกล่อมไม่ใช่ธรรมะท่านกล่อมนี่นะเออะไรมันยากทั้งพี่นาดูสิ ความยากมันอยู่กับกิเลสตัางหากไม่ได้อยู่กับธรรมการประกอบความปาคเพียนเพื่อจะหลุดพ้นจากสิ่งจากบ่วงมานทั้งหลายเหล่านี้มันจึงยากจึงยากเพราะบ่วงมารมันเหนียวที่สุดบ่วงมานคือกิเลสนี่เราเราไปหาโทษหาภัยซะตั้งแต่ทํามใชนั่นแหละกิเลสมันเอาเราเป็นเครื่องมือรู้ไหมถ้าไม่รู้รู้เสียบัตรนี้ การประกอบความภาคเูมิใการชําระกิเลสมันไม่ใช่ของง่ายมันจะง่ายอะไรตัวกิเลสมันตัวยุ่งตัวยากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสตัวเหนียวแน่นแก่นเฉลาดไม่มีอะไรเกินกิเลสการแก้กิเลสจริงต้องเอาธรรมทำเป็นโลกุตรธรรมทำเหนือกิเลสอยู่เสมอเมื่อนาเอามาแก้ต้องแก้กันได้พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันลหันล้วนแล้วตั้งแต่ผู้แก้กิเลสด้วยธรรมทั้นั้นไม่ใช่แก้กิเลสด้วยกิเลสเอากิเลสมาแก้กันได้ยังไงออต้องเอาธรรมมาแก้กิเลสในภาคการพิจารณา การประกอบความภาคเพียรมาให้ดูดีดนะตามีดูให้ดีหูมีฟังให้ถึงใจนำไปคิดไปอ่านไตรตรองเพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งที่เป็นภยัยอย่าให้มันมามัดเราอีกว่าทำอะไรก็ยากทำอะไรก็ยากอืมเลยๆมีแต่ยากไปหมดหาที่ก้าไม่ออกพะกิเลสมันตีขาไว้ขาหักทั้งๆ ท, ท, ที่ขายัางไม่หักอ่อนปีกไปหมดในร่างพอที่จะประกอบความภาคเพียร หาทางเดินไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังไว้หมดแต่เราไม่รู้ว่ามันปิดมันบงังเลยมันเลยเอาเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ทําไปเสียว่าทำนี่ลําบากนะการประกอบคำภาคเพียนลําบากการอยากไปสวรสดิ์นิพพานนี่ก็ลําลบากต้องสร้างคุณงามความดีเท่านั้นบรารมีเท่านี้แต่กิเลสมันสร้างมันมาเท่าไหร่มันได้บอกไหมพูดไหมว่ากิเลสมันทรมานคนเรานี้พ่อได้สร้าง มาเท่านั้นสร้างมาเท่านี้มันพูดไหมมันไม่ได้พูดมันไม่ได้พูดพร่ำทำทำเพลงแหละมันใส่ปัวปัวเลยทีเดียวถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องยกขู่ต่อยเลยต่อยเลยเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้จึงพังเลยพังเลยพวกเรานี่พวกพังเลยพังเลยนั่นแหละพี่นาวสิจะเดินจงกลมก็พังแล้วตั้งแต่ยังไม่เดินนั่งสมาธิภาวนาะก็พังแล้วตั้งแต่ยังไม่นั่งคิดหาความสงบได้ยังไงเมื่อมันล้มก่อน ก่อนยืนร้วมก่อนนั่งแล้วตายก่อนเกิดแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งขันกับกิเลสละ่ะเรื่องอะไรมีแต่เรื่องกิเลสมันมัดเราจะทั้งนั้นเรารู้ไหมว่าเราโงา่ถ้าถ้าเราโงา่เราเชื่อทำผู้ริเจ้าสิการแก้กิเลสจะเอาอะไรมาแก้ถ้าไม่เอาธทำมันขี้เกียจก็วิริยะธรรมเข้าแก่สิจะว่าไงผู้ริเจ้าแก้วดวิรยิยะธรรมความอดความทนคืออดรำเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้อดทนเพื่อฆ่าตัวเองนี่นะเพื่อฆ่ากิเลสตังหัก เอานำมาแก้นำมาฆ่าสิเราเป็นนักปฏิบัติให้ดูร่องรอยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะฉลาดยิ่งกว่าธรรมแหละเวลาทำรรได้ปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการพินิษพิจารณาด้วยความภาคความเพียรท่องหล้วแล้ ว, ลวจันเหนือกิเลสเป็นลําดับลำดับกิเลสขยับออกมาท่าใดวิธีใดนะทำจะปราบเอาหัวขาดหัวขาดหัวขาดไปเลยดังที่เคยได้แสดงแล้วว่าภาวนามายปัญญานั่นพูดเล่นเมื่อไหร่ ไม่ใช่คุยพูดให้ท่านทั้งหลายมีแก่กิจจกใจพูดให้เป็นเหตุเป็นผลพูดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์พูดให้เป็นน้ำหนักพูดให้เป็นเครื่องระลึกพูดให้เป็นเครื่องสังใจเพื่อการนำเนินว่าภาวนามายปัญญานั้นเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในตำรับตำลาว่า สุตตามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินในฟังกินตามายาปัญญาปัญญาเกิดนี่การไตรตรองนี่เป็นธรรมดาของโลกทั่วๆไปก็ฟังได้คิดได้อ่านได้เกิดปัญญาได้ในเรื่องของโลกทั่วไปแต่ภาวนาปัญญปัญญานี้ถ้าไม่เป็นยิงๆพูดไม่ได้ด้นไม่ได้เดาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นกับใจภาวนามายปัญญานี่แหละคือปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเครื่องจัดทุกสิ่งทุกอย่างทันไปหมดเรื่องกิเลส ตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดภาวนาเมยปัญญานี้จะขยับตัวขึ้นเรื่อยค ร, อคร่องแหนวแก้วกล้าสามารถรวดเร็วขึ้นเ ร, เรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวไหนขยับออกมาพังเลยพังเลยนี่ให้มันเห็นอยู่กับใจขอ ง, ของท่านทีนักปฏิบัติมีตั้งแต่อ่านอยู่ตำตำหรับตําราตำหลับตาลาก็มีไว้งั้นแต่มีแต่ชื่อถ้าเราไม่นํามาเอาประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นองค์เราจะไม่เห็นธรรมที่ท่านบอกไว้ในตําราซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเรานี่ กิเลสมันมีอยู่ในหัวใจทำมีภาวนามยปัญญาทำเป็นสําคัญก็มีอยู่ในหัวใจเมื่อเราขุดก้นขึ้นมามันต้องปรากฏทำนี่ต้องปรากฏเมื่อทำนี่ได้ปรากฏแล้วเอาเถอะกิเลสมันมีมากน้อยเพียงไรไม่ต้องคาดไม่ต้องคิดทำหลักธรรมชาตินี้จะหมุนตัวไปเองเช่นเดียวกับไฟได้เชือ้อเอาเชื้อมันมีอยู่ที่ไหนบ้างถ้าลงไฟได้เจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันลุกลามไปหมดจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือไฟถึงจะดับจะมอดลงไปได้มันจะดับไปมอดลงไปเอง นี่ก็เหมือนกันภาวนามยปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อเผาผ่านกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยท่านมาตาปัตธรรมตาปัตธรรมเครื่องแผดเผากิเลสบอมีภาวนามยปัญญานี่เป็นสำคัญการปฏิบัติสิทำมันให้เห็นสิเป็นยังไงแล้วการมาแสดงทําให้หมูมาแสดงถึงภาวนามยปัญญาให้หมูเพื่อนฟังนี้ผมได้เคยพูดหลายครั้งแล้วหุ น, นแล้วให้หมูเพื่อนฟังไม่ได้อด้ได้อวดผู้ตามหลักความจริงที่เคยเป็นมาแล้วจริงๆนีไม่เคยเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาเราก็ไม่เคย บทเวลาที่ที่จะปรากฏขึ้นมาก็เพราะการตะเกียบตะกายการล้มลุกคลุคานเอาหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่มีถอยหลายครั้งหลายผนมันก็พลิกเปลี่ยนแลลงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะการต่อสู้นี้แพ้ก็เป็นก็เป็นอาจารย์เป็นครูชนะก็เป็นครูแล้วเราทําวิธีไหนมันถึงชนะเราทําวิธีไหนให้ถึงได้แพ้เนี่ยเป็นครูสอนเราแก้แก้ไม้หมัดไม้มวยเพลงหมัดเพลงมวยของเขาของคู่ต่อสู้ไม่งั้นตาย แก้ไม่ตกตายแก้ไม่ตกถูกน็อกนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกถูกน็อกของกิเลสไม่โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการแทรกกิเลสแต่ละครั้งละครั้งนี้ต้องเป็นแบบเป็นฉบับอันหนึ่งอันหนึ่งที่จะเราจะมายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อแก้หมัดของมันอันนี้ก็เหมือนกันแก้เมื่อแก้เข้าถึงขั้นภาวนาญปัญญาแล้วเอาเถอะนี่กิเลสมันจะเป็นแชมมาตั้งแต่กี่กับกี่การก็แชมเถอะมันเช่นเดียวกันกับความมืดเอาจะมืดมากกี่กับกี่การก็มืดเถอะ พอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นล่ะความมืดมันจะเอาอะไรมาอ้างว่ามันเคยมืดมาตั้งกับตั้งการไม่ยอมหนีเนี่ยไฟเปิดจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นหายหมดความมืดเหลือจากความสว่างโล่ไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันปัญญาตะลงได้เกิดให้เต็มตัวรอบหัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพังหมดมันจะเคยอยู่ในหัวใจเรามาตั้งกับตั้งการก็ตามมันไม่มันเอามาอ้างมาได้แหละเพราะอํานาจของกิเลสอานาจของกับของกันนั้นมันไม่ได้เหนืออํานาจของธรรมที่เหนือมัน เ พ, เพราะฉะนั้นทำคือความนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เจาะเข้าไปตรงไหนพังตรงนั้นตรงนั้นเลยนี่พังที่ตรงไหนก็พังที่ตรงมืดๆนั่นแหละกิเลสมันมืดมันปิดบังใจของเราแม้ตาจะมีอยู่กี่ร้อยตาก็ตามคนคนหนึ่งยาพูดเพียงสองตามันก็มืดถ้าลงหัวใจพามืดแล้วพอหัวใจพาสว่างสิอย่างเดียวเท่านั้นแจ้งไปหมดเลย สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งนั้นเคยเป็นเป็นขึ้นมาในหัวใจดวงนี้เมื่อหมดความสิ่งที่บีบบังคับแล้วเป็นอิสระอิสระเสรีเขาพูดว่าอิสระเต็มหัวใจแล้วมันทะลุไปหมดนี่จะว่าไงเดี๋ยวมาพูดเลยแผ่นดินนี่หนากี่หมื่นโยตทั้งที่ท่านแสดงวันนั้นน่ะมันทะลุไปหมดโลกอันนี้มันที่ไหนมันปิดบังหัวใจได้วะถ้าลงกิเลสได้เปิดออกมาจากหัวใจแล้วนี่แหละสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างนี้จะว่าไงสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นนี่ ถ, ถ้าสิ่งที่เร็วซ้ําต่ําชาติทั้งหลายมันออกไปจากหวัวใจสิ่งที่มืดดําทั้งหลายออกจากหวัวใจแล้วความสว่างจ้าขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยหลักธรรมชาติของตนเองแล้วยังไงมันก็ปิดไม่อยู่นี่แหละผู้ที่เจ้าท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์ท่านเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่หลับต า, ภ า, ภ, าภายในคือตาใจนั้นดูนรกสวรรค์สว่างจ้าท่านว่าอาโลกโก อ, อุดปานี่หมายความว่างไงสว่างหมดทั้งโลกนอกโลกในไม่มีอะไรปิดบงังลี้ลับเลย ตาของเรานี่ถ้ามีสิ่งมาปิดบงังนิดหนึ่งเพียงกระดาษแผ่นเดียวท่านั้นมาปิดมันก็ไม่เห็นแต่แต่เรื่องของตาใจนี้เอาเถอะไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้เลยเพราะสิ่งล่านั้นมันเป็นเรื่องของสมมุติอันนี้เป็นนิมมุดดุดพ้นสว่างจ้าไปหมดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองไปหมดทําไมนรกมีอยู่จะไม่เห็นผู้ที่มีตาที่ควรจะเห็นผู้ตกนรกมันยังตกได้ทําไมผู้เห็นนรกจะเห็นไม่ได้ล่ะออืผู้ตกนรกมันไปตกด้วยทั้งบาปกรรมของมัน บาปกรรมเมลาสายมนุษนนรกผู้ที่มีพื้เนเหนือสัตว์น ร, รกแล้วทําไมจะไม่เห็นนรกดังพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นเห็นไหมใ น, นตำหนับตำดางา น, นสวรรค์ผู้ไปสวรรค์ก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นจะว่าไงผู้ไปสวรรค์เขายังไปได้พระพุทธเจ้าทำไมเห็นไม่ได้พรมโลกนิพพานยิ่งนิพพานด้วยแล้วคนมีจิตเรสเห็นเมื่ อ, อไหร่ไปได้เมื่ อ, อไหร่พ้นสิ้นจิตเรศไปได้พระพุทธเจ้าไปได้ดูได้เห็นได้นี่แหละท่าน ประกาศกังวันอยู่3แดนโลกธาตุว่าบาปปีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีท่านประกาศออกมาด้วยความกระจ่างแจ้งในพระไทัยของท่านไ ม, ไม่มีอะไรปิดบงังลี้รับเลยนั่นท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นท่านนําสิ่งที่รู้ติเห็นแล้วมาประกาศสอนโลกจึงทรงประกาศ ด, ด้วยความอาถรรพ์าชานชัยไม่มีใครเกินพระพุเทธเจ้าเรียกว่าอาชาในา ไม่มีความสะทกสะทานพอเห็นแล้วค่อยมาสอนรู้แล้วค่อยมาสอนเอาอะไรมาผิดไม่ใช่ด้นใช่ดาวไม่ใช่หลับตาสอนลืมตาด้วยตาใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนํามาสอนผิดที่ตรงไหนเพียงแต่เราไปเห็นสิ่งใดไปรู้สิ่งใดมาไปได้ยินสิ่งใดมาด้วยตาด้วยหูของเราเพียงเท่านี้เพียงจยบหยาเท่านี้เรายังพูดได้เต็มปากเหตุใดพูดที่รู้ด้วยจักสุ ญ, ญาณอันอย่างทราบแทงทะลุไปหมดไม่มีอะไรเสมอแล้วจะพูดไม่ได้จะเห็นไม่ได้จะสอนคนไม่ได้มีเหรอ นอกจากสัตว์มันตาบอดมันหนาแน่นไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่ยอมฟังเสียงเท่านั้นเองมันจึงได้ดรับความทุกข์ความทรมานเช่นเดียวกับพวกนักโทษนนัไม่มีใครเกินมันแหละเวลามันฉกมันลักที่เขาจับยังไม่ได้คนในโลกนี้ไม่มีใครเกินความฉลาดเราเราเป็นผู้ฉลาดทําอะไรๆไม่มีใครรู้ใครเห็นและสุดท้ายมันก็นมากรองอยู่ในเรือนจําเห็นใหม่นั่นแหละคนฉลาดคนไม่เชื่อไม่เชื่อคนทั้งหลายว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเขามีหูมีตาเหมือนกัน เชื่อแต่ตัวเองแล้วมันก็มาติดคุกได้เพราะคนจับมัดเขามาติดคุกคนนั้นแหละทรมานมันอยู่ในเรือนจําจะเป็นใครไปนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เหมือนกันทิเลตมันปิดบังมันไม่มันไม่เชื่ออัดเชื่อธทำมมันไม่เชื่อความจริงมันเอาแต่ตัวจำปลอมของมันเพราะมันไม่มีของจริงมีแต่ของจำปลอมมันก็ปิดหูปิดตาของสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีมากเข้ามากเข้าก็ให้ทําให้หูยี่ได้อุจจะไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสีมันทําคืออะไร ก็คือทำบาปนั่นแหละแต่มันไม่บอกว่าบาปมีถ้าว่าบาปมีนี่จะกลัวสัตว์โลกจะกลัวมันบอกว่าบาปไม่มีเอาทำลงไปมีแต่บาปทั้งนั้นที่มันให้ทำเนี่ยทำลงไปแล้วตกเขาโลกหมอกไหมใครไปตกคนบุญเข้าไปตกเมื่อไหร่คนบาปไปตกเมื่อคนบาปยังไปตกได้คนบุญทำไมเห็นไม่ได้พรุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างอาะจ่างแกล้งไปหมดอรโรกูดปานี่วางเลย สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถูสว่างไปหมดทั้งโลกนอกโลกในทําไมจะไม่เห็นนรกทำไมจะไม่เห็นสวรรค์เป็นของมีอยู่ตั้งตั้งเดิมมาตั้งแต่ ก, กี่กับกี่กันแล้วี่ทําไมจะไม่เห็นของมีอยู่อืมนรกสวรรค์ น, น, นิพพานพรหมโลกเห็นหมดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอา๋อใคร เ, เปิดจิตตุกตนินัยแล้อย่าทว่าพระพุทธเจ้าเลยพระราหานทานท่านก็เห็นเหมือนกันจะว่าไงแต่ท่านไม่นักเป็นบ้าอวด มิจะสอนคนด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยโดยที่ท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยให้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนอย่างแต่ก่อนนรกนี่ท่านก็ไม่มีในหัวใจบาปท่านก็ไม่มีในหัวใจท่านผ่านพ้นไปหมดแต่ท่านเห็นโทษของมันเป็นยังไงก็นําโทษของมันมาสอนโลกใครที่เชื่อตามท่านก็ในปฏิบัติตะเกียรตะกาไปตามก็ค่อยผ่านพ้นไปได้หลีกเลี่ยงไปได้ไม่ติดเหมือนเขาไม่ติดคุกติดตารางนั่นแหละถ้าเชื่อคนดีเชื่อคนหมายบ้านเมืองไม่ทําชั่วเชื่อศีลเชื่อธรรมแล้วก็เป็นคนดี นี่ก็เหมือนกันเชื่อหลักธรรมของที่เจ้าแล้วนรกก็จะได้เบาบางจะไม่มีแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเดือนจําไม่ว่าแห่งไหนแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่นักโทษทั้งนั้นเต็มหมดคนที่คนดีเขาไม่ไปละนี่แล้วจ ง, จงดีไม่ดีเดือนจำหรือนั่นจะไม่มีที่บรรจุนักโทษโ ด, ดยซ้ําไปมันแน่นนี่พราะคนไม่มีหีดีโอตปะคนสําคัญตนว่าดีกว่าใครๆแล้วติดเอาติดเอาติดเอ า, เอางั้นสินี่ก็เหมือนกัน เราก็กลัวแล้วเกินวันนรกแต่ไม่เคยได้ยินนรกแตกนะเราอยากเข้าใจวัานนรกเมืองผีจะเหมือนกับนรกเมืองคนคือเรือนจำนี่นะเรือนจำนี่เต็มได้แน่นได้ชวนนรกเมืองผีนั้นฟังแต่ว่ากรรมเถอะบันดลบันดาลมัดเจ้าของไว้อยู่ในนั้นอนะแน่นแค่แน่นเฉพาะเจ้าของนรกไม่แน่นร้อนก็ร้อนเฉพาะเจ้าของนรกไม่ร้อน ทุกกระทู้เฉพาะเจ้าของผู้ตกนรกนั่นแหละแต่นรกไม่ทุกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงว่านรกไม่แน่นมันแน่นอยู่ในหัวใจแน่นอยู่ในตัวของผู้ไปเสวยกรรมนั้นต่างหากนี่ใครกล้าก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาลงไปสิเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นเนี่ยใครใครใครเก่งคนนั้นอาจจะโดนเหมือนอย่างนับโทษในเรือนจำนะมีแต่ตัวสําคัญสาคัญว่าตัวเก่งตัวเก่งนั้นมันไปอัดแน่นกันอยู่ในนั่นเป็นยังไงนี่ก็เหมือนการทำนี่พระองค์สอนมา เป็นคู่โลกกูทำมากับใดกันใดแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นมาตรัสรู้ตรัสรู้อันเดียวกันรู้อันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนโลกให้ปีกให้เว้นอย่างเดียวกันสอนโลกให้บำเพ็ญในสิ่งที่ดีทั้งนั้นอันเดียวกัน ถ, ถ้านโลกได้พูดปฏิบัติตามโลกก็ได้หลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นดีกเตี่ยงไปได้ดังพระพุทธเจ้ามาสอนโลกเนี่ยที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงมรรคผลิภานมีจานวนเท่าไหร่เราพิจารณาสินั่นนี่แหละพวกผู้เชื่อทำเชื่อพระพุทธเจ้า พระเจ้ามาตรัสรู้แต่และพระองค์เติมทาประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินเลยในโลกกฐานนี้นี่เราได้อววัตธรรมของพระเจ้ามาสั่งสอนตนเองเราจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ยังทำมาได้แล้วโอ้ยตายแล้วอยากให้มีกุศลานะมันลําบากเหลือเกินเราไม่มีความฉลาดจะให้มาใครมากุศลาให้เป็นความลำบากแก่เรามันเป็นไปไม่ได้ต้องสอนเจ้าของให้มีความฉลวฉลาดตั้งแต่บัตรนี้แก่เจ้าของให้ได้ตั้งแต่บัตรนี้พังที่เดือดรงจากหัวใจแล้วอยู่ไหนะอยู่เธอมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์ละ อดีตอนาคตมันอยู่ข้างนอกนู้นหัวใจจ้ของเต็มด้วยอัดด้วยทำทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าหิวว่าหยพอตัวอยู่ตลดอดเวลาอืมีชีวิตอยู่กับพอตัวตายไปก็พอตัวเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วธาตุขันเป็นสภาพของมันที่จะต้องสลายลงไปตามส่วนผสมของมันที่แตกกระจายจากกันดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟไฟซึ่งโลกใดๆก็เป็นได้เหมือนกันอืคนก็เป็นได้สัตว์ก็เป็นได้ตายได้สลายได้ไม่เป็นของจำกันสาคัญที่ใจนี่สิ ตายด้วยความหิวโหยตายด้วยความอิ่มพอมันผิดกันที่ของนี่เพราะฉะนั้นจงสร้างตัวเองให้มีความอิ่มพออย่าได้ลดละท้อถอยมาศึกษากับครูบาอาจารย์ให้มีความจริงความจังต่อหน้าที่การงานต่อการศึกษาต่อการอบรมยึดไว้เป็นหลักใจ ข, ขึ้นปฏิบัติตนอย่าเห็นกิเลสยิ่งกว่าธรรมเห็นกิเลสเต็งของสําคัญยิ่งกว่าธรรมและจะตายจมกับกิเลสอยู่นี้หาวันขึ้นไม่ได้นะจะว่าไม่บอกนะนี่บอกแล้วน ะ, ะทำบุญจ๊าไม่ใช่ทํา หลอกลวงสันโลกนะว่าอย่งไรจริงอย่างนั้นเพราะถอดออกมาจากของจริงมาว่ า, ม า, วามาสอนเห็นจริงๆรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นกุลจริงๆแล้วนํามาสอนจะผิดไปไหนถ้าผิดไปจะเรียกว่าสวรรค์ทำแต่ไม่ชอบเหรอนั่นมันไม่ชอบอยู่ลานี้ก็คือตัวกิเลสมันขัดมันขืนมันปิ้นพอนหลอกลวงตัวของเรานี่ให้หลบปีกปิดอัดปิดทําไปสู่แดนแห่ง ฟืนอย่างไฟตามมันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสที่เท่านั้นทําทํานไม่หลอกใครละ่ะเรื่องกิเลสนี่หลอกวันยังคําคืนย่างลุ่งไม่มีหยุดมีถอยมีน้อยหลอกน้อยมีมากหลอกหหน้าลอกมากเพราะมันไม่มีของจริงมันมีแต่ของปลอมเต็มตัวมันแล้วเมื่อมันสวมเข้าไปตรงไหนต้องเป็นจอมปลอมไปตามๆกันเลยทํามีแต่ของจริงน้อยก็จริงมากก็จริงทําจึงไม่เคยตระโดรหลอกลวงใครไม่โกหกหลอกลวงใครทาจึงเป็นแบบฉบับ เป็นเครื่องสอนโลกได้นำโลกให้มีความร่มเย็นไปสุขและให้พ้นภัยได้คือธรรมถ้าเราอยากจะเป็นผู้มีความอุ่นภายในตนแล้วให้พึงยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์เถอะนะครับตายเหมือนโลกนั่นแหละแต่หัวใจนี่มันไม่เหมือนหัวใจนี่เย็นคนมีอรดมีธรรมเราจะให้กิเลสมันมาหลอกเทกกิเลสมาตบหูตบตาหลอกทั้งวันทั้งคืนผมยิ่งมาหลอกอย่างพระนิรามันหน้าทุเรศจริงๆนะเฮ้อ หลอกยังไงก็หลอกว่ามันมันหลอกมันไม่ให้กลัวบาปแล้วสิจะว่าไงบาปพระพุทธเจ้าแต่แท้ยังกลัวสาวกอรารานท่านกลัวกันทั้งนั้นเราปุะชชนที่ชนตะไปเลยไม่กลัวไม่กลัวบาปมันก็เจอแต่บาปมันวสินี่สิสำคัญตรงนี้เลยให้ระมัดระวังกันนะไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปก็เท่ากับไม่กลัวนรกลสิมันจะถูกเผาแน่ๆคนเก่งๆอย่างอย่างคนตาบอดเนี่ย ไม่ได้เหมือนคนตาดีคนตาดีว่าเห็นจริงๆริเมื่อว่าเห็นมันเห็นจริงๆหลีกจริงๆไม่โดนแต่คนตาบอดมันแบบไม่เห็นแต่มันโดนจะว่าไงอันนี้แด็กพวกเรามันบอดไม่เห็นนั้นโดนแต่บาปโดนแต่นรกเราจะไปลื้อเราจะไปทําลายนรกได้ยังไงถ้าทำลายนรกได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จะทำลายโลกแหลบหมดไม่ให้สัตว์ทั้งหลายไปตกไปทรมานเลยนี่ก็ทําไม่ได้นั่นเองสุดวิสัยจึงต้องสอนวิธีหลบหลกีกนรก ด้วยการไม่ทำบาปทำกรรมให้พยายามสร้างความดีทั้งหลายอย่าเป็นคนคืบคนล้าสมัยแล้วกิเลสมันหลอกว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทันสมัยธรรมะเป็นธรรมชาติที่คืบที่ล้าสมัยนี่แหละทีนี้คนไปวัดไปว่ามันก็หลอกมันหัวเลาะเยอะเยอยว่าคนเป็นคนคืบคนล้าสมัยคนบำเพ็ญคุณงามความดีมั้ว่าคนคืบคนล้าสมัยกิเลสมันหัวเลาะเยอะเย้ยมันออกสนามมันออกตลาดเพ่นผ่านไปหมดเวลานี้มีแต่อย่างนั้นนะ เราเอาให้ดีนั้นระวังให้ดีนะอย่าให้กิเลสมันมาหัวเราะตบหน้าผากแล้วนะว่านรกไม่มีเอว่าบาปไม่มีว่าการขึ้นปฏิบัติในศีลธรรมทั้งหลายนี่เป็นโมฆะเป็นขวางเลีวไหลตัวกิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกมันลวงนั่นแหะตัวมันเหลีวไหลที่สุดถ้าผู้ปฏิบัติตามกิเลสแล้วจะเหลีวไหลด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะอืมการประกอบความภากเพียรระวังกิเลสมันจะมาหลอกนะระวังให้ดีตรงนี้ นั่งสมาธิก็มันก็หลอกเดินยงกลมมันก็หลอกทุกียาบทมันหลอกทั้งนั้นทุกขณะกิตติคิดออกมีแต่กิเลสถุดลากไปหลอกไปทั้งนั้นทําไม่ได้ดึงไปได้เลยเพราะสู้กําลังของกิเลสไม่ได้นั่นนี่แหละคลืบไหมหลอกที่นี่ทันสมัยกับกิเลสได้ทันฟืนทันไปแล้วเผ า, าเอาเผาเอาเนี่ยดีไหมไพิจาณาใชผู้ปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจพืชปฏิบัตินะ่ะมาอย่ามาอยู่เฉยๆเดินๆด้านๆ ผมน่ยแก่ลงไปทุกวันทุกวันแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่เหนื่อยแม้แต่ขนาดนี้ผมก็เหนื่อยแต่ทนเอาแนะนําั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยกําลังใจจริงๆด้วยกําลังเมตตาสงสารจริงๆไม่ได้ด้วยการเสกสรรตั้นยอขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงพูดโกงๆนี้ว่าการเทศจริงเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเพราะ อ, อ, อะไรเพราะพลังของกิจ น, นั่นเองพลังของความเมตตาสงสารจ ะ, จะว่าพลังของธรรมจะผิดไปไหนว่ะเราปฏิบัติธรรมเราพูดธรรมไม่ว่าพลังของธรรมจะว่าอะไรเราไม่ได้หากิเลสมาพูดนี่นะเราไม่เอากิเลสมาเป็นมากุลนิพพานเราจะเป็นพลังของกิเลสได้ยังไง ให้ท่านทั้งหลายไปนำไปพูดปฏิบัติสิให้เกิดผลเกิดประโยชน์นี่มากขนาดไหนผมยังอุตส่าห์รับแล้วหน้าใหม่มาเรื่อยหน้าใหม่มาเรื่อยมาให้ดูนะให้ตั้งหน้าตั้งตาพปคุปฏิบัตินะอย่ามาเลี้ยวแล้วไหลเก่งๆก้างๆขวางหูขวางตาขวางตัวเองแล้วก็ขวางคนอื่นขวางพระของเนียนซึ่งเป็นหมู่เพื่อนเดียวกันขวางครูขวางอาจารย์ขวางตาใครมีตาขวางกันทั้งนั้นแหะถ้าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันขวางทั้งนั้นอย่าให้ขวาง เมื่อไม่ขวางเราแล้วจะไม่ขวางไข่เมื่อไม่ขวางทําแล้วจะไม่ขวางไข่ดีทั้งนั้นผู้หาความดีแล้วไม่ขวางอ่อาอะละการเดทํางเคร่งสมขควรเหนื่อย